หมวดที่หภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม 3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุททั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงเนิยสกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แหลอากังขมาณฑั ก, กะจบ